รวงูกปูดุลอัตุโลกลับมาประจำที่สุรินเมื่อลุงปูดุลปรากรมทำงานจนกระทั่งโบสถ์วัดสุทัศ ที่เมืองอุบสลสาเร็จรุ่งไปได้วยดีแล้วท่านก็เตรียมการที่จะออกทุดงทันทีแต่อุปสรรคอันสําคัญก็มาถึงคือมีหนังสือจากเจ้าคณะมณฑล น, น, นครรัชสิมาทื่ประคุณสมเด็จพระหมหาวีรวงศ์อ้วนติโสเมื่อครั้งยังเป็นที่พระธรรมปามก สั่งการมาว่าให้เดินทางไปช่วยพระมหาพร อ, อุปสมโมบุรณะวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ซึ่งกำลังสุดโสมท่านจึงต้องกลับไปจังหวัดสุรินทร์เป็นวกิจทุดงที่มุ่งมั่นมานั้นก็ต้องระงับไปโดยสิ้นเชิง ห้าสิบพรรษาที่วัดบุรพารามบุรณะวัดบุรพารามเมื่อกลับมาจังหวัดสุรินทร์ได้ช่วระยะเวลาหนึ่งแล้วก็เริ่มปฏิสังขรณ์วัดบุรพาราม โดยสร้างอุโบสถแบบคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแห่งแรกในจังหวัดสุรินทร์และเป็นอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดท่านคิดแบบแปลนด้วยตนเองแรงงานส่วนใหญ่อาศัยพระภิกษุสมณีและชาวบ้านในระแวกนั้นช่วยกันผู้เป็นกําลังสำคัญ ที่ควรกล่าวถึงคือหนึ่งพระมหาโชตคุณสำปนโนซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานสมณบัตรร์เป็นที่พระเทศสุทาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิวรารงกรปัดช่องนครราชสี ม, มาสองพระมหาเปลี่ยนโอภาโส ซึ่งต่อมาได้รับระาชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระโอภาธรรมยานจเจ้าอาวาสวัดปา่าโยธาประสิทธิ์ปัจจุบัน 3. พระอาจารย์สามอกิจโนจเจ้าอาวาสวัดป่าไตรวิเวกปัจจุบันอยู่ที่สุริน มีสามองค์นี้เป็นแรงงานอ่าเป็นผู้เป็นกำลังอันสำคัญอันหนึง่งในการบริหารพระศาสนาหลวงปู่ท่านได้เป็นประธานสงฆ์ท่านมาะภารกิจด้านการศึกษาและด้านการปกครองให้แก่พระมาหาพรอยอุปสมโมเป็นผู้ช่วยดำเนิน ง, งานส่วนด้านการ เทศนาอบรมประชาชนได้มอบไปพระมหาเปลี่ยนโอภาโสเป็นผู้ช่วยดำเนิน ง, งานและด้านการเผยแพร่กรรมฐานได้มอบหมายหน้าที่ให้พระมหาโชตคุณสัมปันโลเป็นผู้ช่วยดำเนิน ง, งานและตั้งแต่กลับมาจากจังหวัดอุบล เมื่อปีพุทธศักราช2477หลวงปู่จำพรรษาอยู่ที่วัดบุรพารามแห่งเดียวม่ได้ไปจำพรรษาที่อื่นเลยจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลาเกือบ50พรรษาเป็นระยะเวลาที่เต็มบริการต่อสู้และอดทน กออุปสรรคต่างๆ น, น, นา้นาเพราะต้องบริหารทั้งการปกครองการศึกษาทางพุทธศาสนาการปฏิสังขรณ์วัดและการขยายวัดทั้งด้านการปฏิบัติและปริยัตมีสาขาทั้งคามวาสีและอริยวาสีที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์หลายสาขาจํานวนศิษย์ ก็ทวีขึ้นโดยรำบับปี 2,511 กรมการศาสนาได้ยกวัดบุรพารามจังหวัดสุรินขึ้นเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างแต่หลวงปู่ก็ได้พัฒนาวัดต่อมาอีกรื่อเรื่อยจนกระทั่งสำเร็จตามเป้าหมาย ที่น่าปลาพื้นยินดีแก่ชาวสุรินกันอย่างยิ่งก็คือมีพระหมหากรณาที่คุณโปรดกล้าวให้ยกวัดบุรพารามจังหวัดสุรินขึ้นเป็นพระอารามหลวงตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ 2,520 สเป็นต้นมานับว่า่ทนประสบความสำเร็จในการพัฒนาวัดอีกโสดหนึ่งด้วย ภารกิจและสมณศักดิ์ในปีแรกที่กลับมาประจำที่วัดบุรพารามนี้ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะอำเภอรัตนบุรีต่อมาได้รับภาระเป็นพระสังฆาธิการเป็นผู้ประชาบวัดกุลบุตร และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุทธ์จังหวัดสุรินตามลำดับส่วนทางสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัติพระราชาคณะที่พระรัตนากรวิสุทธ์มาตามลำดับจนถึงเป็นพระราชาคณะ ชัานราชที่พระราชวุฒธธิาจารย์ในปัจจุบันแม้ว่าขณะนี้ท่านจะมีอายุ95ปีแล้วก็ตามสุขภาพปรนมัยของท่านยังแข็งแรงดีประกอบกับท่านมีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเป็นนิตยการ ท่านผู้ใดจะขอโอกาสเข้ากราบนมันส ก, การเวลาใดก็ได้ไม่มีจำกัดเวลาและท่านสงเคราะห์ไปในกิจนิมนต์ของผู้นิมนต์เสมอสมทางสมักเรชวังได้รัตนาไปในพระราชพิธีเจริญพระชนภพรรษาพระบาทสมเด็จอยู่หัวสมเด็จพระบ ร, รมราชินีนาถเป็นประจำตลอดมาอันนีง สิ่งที่ควรบันทึกไว้เป็นเกียริประวัติของวัดและของลุงปู่เป็นพิเศษคือเมื่อวันที่สิบปดธันวาคม25งพ้ายยีพระบาทสมเด็จพร ะ, ะยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสมเด็จพระเทพ ร, ตรัตนราชสุดาพระราชธิดาพระราชตุนิีสา และพระเจ้าหลานเธอทั้งเจ็ดพระองค์ได้สเสด็จไปนมัสการหลวงปู่เป็นการส่วนพระองค์เมื่อเวลา18ดนิกาสี่สินาทีจนถึงเวลา19บเนิกาสนาทีของวันที่ส8ปดธันวาคม2522ห้า หลังจากทรงตรัสถามสุขภาพอนามัยของหลวงปู่แล้วทรงอาราธนาให้หลวงปู่กล่าวธรรมเทศนาประทรงอัดเทพไว้ด้วยเมื่อหลุงปู่กล่าวธรรมะย่อๆถวายจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตรัสถามหลวงปู่ว่าการจรักกิเลสได้นั้น ควรละอะไรก่อนหลุงปู่ได้ถวายวิสัญนาว่าให้เพ่งมองดูที่จิตเมื่อมีกิเลสอันใดเกิดก่อนก็ให้ละอันนั้นก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงถามธรรมะอื่นๆพอสมควรแก่เวลาแล้วทรงถวาย จะตุปัจจยแด่หลวงปู่และทั้งสองพระองค์ก็ได้รัตนาค่อยหลวงปู่ดำรงสังขารอยู่ให้นานต่อไปอีกเพื่อเป็นความอบอุ่นของประชาชนหลวงปู่ถวายพระพรว่าแลแต่ความเป็นไปของสังขารจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบ ไปสกลนครครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ส9เกถึงวันที่ยี่สิบอมกราคมสองห้ายสบอ็ดท่านได้ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์ฟัน่นอาจารย์โที่วัดป่าอุดมสมพร พันนาณิคมสะกลนครเข้าร่วมในพิธีสวดพระพุทธมนต์ชักผ้ามหาบังสุกุลนาศบได้รับพระราชทานฉันในพระราชพิธีสามหาีกด้วยทํากลางพระสงค์ฝ่ายอรั ญ, ญวาสีนับจำนวนเป็นพันพันรูปและสาธุชนจากทุกสารทิศ นับจำนวนเป็นแสนแสนคนในครั้งนั้นหลวงปู่ได้สนทนากับพระเถระฝ่ายทุดงหลายองค์อาทิพระอาจารย์เทศเทศรังสีพระอาจารย์อ่อนและพระอาจารย์องค์อื่นๆอีกมากทั้งที่รู้จักและที่ไม่รู้จัก เป็นการย้อนละลึกถึงบรรยากาศเก่าๆสนทนากระถึงอดีตแห่งการเดินธุดงค์ให้เกิดความบันเทิงในทางธรรมเป็นอย่างยิ่งมีผู้กราบเรียนถามถึงพระอาจารย์องค์อื่นๆเช่นหลวงปู่แหวนหลว ง, ลงปู่ขาวท่านตอบว่าเคยได้ยินชื่อมาแต่ต้นเหมือนกัน แต่ลำบับความจำไม่ได้เพราะท่านเรานี้แม้อายุจะไล่เรียกกันก็จริงแต่เข้ามาเป็นสิทธิ์พระอาจารย์มั่นรุ่นหลังและกล่าวถึงตัวท่านเองว่ามาสกลนครคราวนี้คงจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ปฏิปทาและอุปนิสัยแม้ว่าปัจจุบันนี้ลุงปู่ประจำอยู่ที่วัดคือวัดบุรพาไม่ได้ออกธุดงตามเจตนาเดิมก็ตามแต่ข้อวัดที่ท่านเคยปฏิบัติขณะออกธุดงเป็นเวลาหลายปีนั้น ท่านก็ยังดำเนินตามปฏิปทานั้นๆสืบต่อมาท่านจิงเป็นผู้งดงามด้วยสมณวิสัยปฏิปทาของท่านคือหนึ่งบำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นปกติไม่ขาดสายไม่เคยขาดตกบกพร่องกลางคืนจะพักผ่อนเพียง 2. ชั่วโมงเท่านั้นสองฉันมือเดียวมาตลอดเว้นแต่เมื่อมีกิจนิมนจึงฉันสองมือสา ม, มีความเป็นอยู่ง่ายเมื่อขาดไม่ดินรนแสวงหาเมื่อมีไม่สังสมเป็นอยู่ตามมีตามเกิด จเจริญด้วยยัต า, าราภคือสันโดษได้อย่างไรบริโภคอย่างนั้นสี่มีสัจจะพูดอย่างไรต้องทำอย่างนั้นมีความตั้งใจจริงจะทำอะไรแล้วต้องทำจนสำเร็จ 5. เป็นผู้มีความประพฤติเบากายเบาใจสันลหุกาวุติเป็นผู้มีความประพฤติเบากายเบาใจคือเป็นผู้คล่องแคล่วว่องไวเดินตัวตรงและเร็วแม้เวลาตื่นนอนพอรู้สึกตัวท่านจะลุกขึ้นทันทีเหมือนคนที่พร้อมอยู่เต็มที่ตลอดเวลา ข้อนิยมการทำตัวง่ายๆสบายๆไม่มีพิธีรีตองมักตำมมิผู้ที่เจ้าบทบาทมากเกินควรเจ็ดการปฏิสันฐานท่านปฏิบัติเป็นเยี่ยมตลอดมาลุงปู่ท่านเป็นผู้มีอุปนิสัยเยือกเย็นพูดน้อย สงบอยู่เป็นนิดมีวันะผ่องใสท่านรักความสงบจิตใจไ่ายในความวิเวกมากจะเห็นได้ว่าท่านชอบสวดมนต์บทอรันเยรุคมูเลวาสัญญาคาเรวาพิกขวโวมากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือผู้ที่มีโอกาส สนตนาทํากับท่านแล้วจะเคารพนับถือยบย่องปัญญาอันเฉลียวฉลาดความคิดสุขขุมรอบครอบความมีปฏิภาณดีของท่านทุกคนคำสอนธรรมะของท่านมักจะเป็นข้อความสั้นๆที่มีความหมายรึกซึ่งชวนให้คิดชวนให้พิจารณามีคุณค่ามาก และง่ายต่อการจดจำท่านใด้คำแนะนำในการปฏิบัติธรรมแก่บรรพชิตและกระว اة ได้ทุกผู้ทุกคนไม่ผิดหวังและเป็นกิจที่ท่านชอบทำมากด้วยข้อที่อดจะกล่าวซ้ำจะนี่ได้คือขันติจะเห็นว่าท่านสามารถอดทนต่อสิ่งแวดล้อมต่ออุปสรรคต่างๆ อดกลั้นต่อความไม่สมหวังและก็ไม่ยอมพอถอยต่อความยากลำบากนานาประการทั้งเวลาออกลุกขมูลและเวลาที่พม่าประจำอยู่ในวัดเป็นเวลานานปีนอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความเคารพว่าง่ายสอนง่าย และมีความกตัญญูต่อบิดามารดาครูบาอา จ, จารย์อุปชาและพระเทระผู้ใหญ่เป็นอย่างสูงกล้ากล่าวได้ว่าสิทธุทุกคนมีความเคารพรักหลวงปู่มากประหนึ่งว่าท่านเป็นบิดาบังเกิดกล้าวของตนของตนทั้งนี้เพราะหลวงปู่เป็นผู้เปี่ยมด้วย พรมวิหารธรรมเกี่ยวกับอาพาธอาพาธครั้งแรกตามปกติหลวงปู่ท่านเป็นผู้มีอาพาธน้อยแม้อายุจะร่วงไปถึงสี่สิบอถึงเก้าสิบ สีปีแล้วก็ตามไม่ค่อยมีโรคภยครัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอาการไข้หรือหวัดบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นตลอดชีวิตของท่านมีอาการหนักถึงต้องเข้าโรงพยาบาลเพียงสองครั้งครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นปี2508อาภาษรุนแรงด้วยโรคตับอักเสบ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดสุรินเป็นเวลา9วันก็หายเป็นปกติกลับวัดได้อาพาธ ค, ครั้งที่สองเมื่อวันที่27มกราคม2526หลุงปู่เริ่มมีอาการผิดปกติคือมีอาการปวดชาตั้งแต่บ้านเอวลงไปถึงปลายเทา้า เริ่มเป็นข้างซ้ายข้างเดียวก่อนซึ่งเป็นเล็กน้อยมานานแล้วอจะเป็นข้างซ้ายข้างเดียวก่อนสองสามชั่วโมงต่อมาอาการดังกล่าวก็จะรามาที่เท้าข้างขวาด้วยท่านว่ารู้สึกเหมือนจะปวดหนักปวดเบาอยู่เสมอพอเวลาไปถ่ายก็ถ่ายไม่ออกทั้งหนักทั้งเบา มีอาการเประเดียวหนาวประเดียวร้อนผู้พยาบาลจะไปตามหมอท่านก็ว่าไม่จำเป็นก็เป็นการน่าอัศจริย์อยู่อย่างหนึ่งที่หลวงปู่กลับไม่มีท่าทีปริวิตกอะไรยังคงสงบเยือกเย็นอยู่ตามเคยท่านไม่เคยเรียกหาหมอหรือให้ใครไปตามหมอมารักษาพยาบาล การเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาล น, นั้นเป็นเรื่องของผู้อยู่ใกล้คิดขอร้องท่านทั้งนั้นตลอดคืนนั้นอาการไม่ทุเลาท่านยิ่งอ่อนเพลียหนักขึ้นทุกทีจึงต้องพาท่านไปยังโรงพยาบาลสุรินพักอยู่ได้ประมาณหกชั่วโมงท่านให้พากอาจท่านให้พักลับวัดแม้แต่ขอร้องให้อยู่อย่างไรท่านก็ไม่ยอม จึงต้องตามจ่ายท่านจากนั้นคณะสงฆ์ตกลงกันว่าจะนำหลวงปู่เข้ารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรกรุงเทพฯได้เดินทางถึงโรงพยาบาลจุฬาเมื่อวันที่29มกราคม2526เวลา17นาฬกา40นาทีผลจากการตรวจอาการของหลวงปู่อย่างละเอียด ปรากฏว่าหลวงปู่มีอาการหนักอยู่สามอย่างคือเกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับปอดและสมองซึ่งต้องใช้เวลารักษาท่านเป็นเดือนขึ้นไปและพอมีทางหายได้เป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดนี้ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่วัาทรงมีพระเจประสง ที่จะสงเคราะห์แด่หลวงปู่ในครั้งนี้ทรงรับหลวงปู่ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และพระเจ้ทานแพทย์หลวงมารักษาพยาบาลเป็นพิเศษระหว่างที่หลวงปู่พักรักษาอยู่ในตึกจงกล น, นี้ห้องพระเจ้าทานนี้ล้นกล้าวทั้งสองพระองค์ได้ปรด็จเยี่ยมหลวงปู่เป็นการส่วนโรองค์ดังนี้คือ วันที่4มีนาคม2526สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยมหลวงปู่เมื่อทรงทราบว่าหลวงปู่มีอาการดีขึ้นมากแล้วก็ทรงปิติสมนัตเป็นอย่างยิ่งทรงสนทนากับหลวงปู่พอสมควรแก่เวลาและพระจัดทานรางวัลแก่สิ และผู้อยู่พยาบาลโดยทั่วกันแล้วเสด็จกลับวันท sí yes ี่สิบสองมีนาคมสองรอยสบหกเวลาสิบแปดนาิกาเก้านาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยมหลวงปู่อีกไม่มีผู้ใดทราบร่วงหน้ามาก่อนว่าพระองค์จะเสด็จแต่หลวงปู่ก้อนั่งเตรียมพร้อมอยู่แล้ว หลังจากรงปรับถามอาการของหลวงปู่แล้วทรงพอพระทัยที่อาการอาภาษของหลวงปู่หายประกติดีและทรงทราบว่าแพทย์อนุญาตให้หลวงปู่กลับได้แล้วรองทรงถ า, ถามถึงการเดินทางกลับพร้อมกับพระราชทานยานภาณะจากราชสมัคิเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับของหลวงปู่ หลังจากทรงสนทนาธรรมและฟังธรรมจากหลวงปู่แล้วทรงถวายเกจตุปัจจัยพร้อมทั้งทรงรัตนาให้หลวงปู่ดำรงขันอยู่ให้เกินร้อยปีหลวงปู่จึงถวายวิสัชนาว่าอาจจะมาภาพรับไม่ได้หรอกแล้วแต่สังขารเขาจะเป็นไปของเขาเอง วันที่15มีนาคม2526เวลา17นริกาเศษสมเด็จพระเท พ, พ ร, รัตนราชสุดาเด็กสเสด็จมาเยี่ยมหลวงปู่ด้วยเวลาอันสั้นเมื่อทรงทราบว่าหลวงปู่มีพรรณนามัยดีขึ้นทรงชมว่าหลวงปู่แข็งแรงดีแล้วสเสด็จกลับการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาและสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาทรงมีพระหมหาการุณาสงเคราะห์อนุเคราะห์หลวงปู่ครั้งนี้เป็นที่ปราปลื้มปิติยินดีแก่สารุสิตและชาวสุรินเป็นอย่างยิ่งนอกจากศิษยานุสิตแล้วยังมีท่านภูมิเกียรติ ตลอดถึงสาธุชนทั่วไปมากมายหลายท่านได้ไปกราบนมัส ก, การลุงปูบางท่านเด็กสละกำลังกายกำลังทรัพย์และเวลาไปอยู่เฝ้ารักษาพยาบาลลุงปูตลอดเวลาที่พักอยู่ในโรงพยาบาลนี้ได้ช่วยถวายพัะตาหาร ตอถึงสิ่งจำเป็นและอำนวยความสะดวกต่างๆและช่วยรับใช้หลวงปู่รวมทางประสงค์ที่อยู่พยาบาลท่านด้วยนับว่าท่านราวนี้ได้มีเจตนาอันสูงส่งจนใจที่ไม่อาจจะระบุนามของท่านทั้งหลายให้ปรากฏณที่นี้ได้จึงขอจารึกไว้ในความทรงจำ บุญอันใดที่ท่านทั้งหลายได้กระทำไปแล้วอย่างไรขอผลแห่งบุญอันนั้นจงสาเร็จประโยชน์โดยสมควรแก่คุณความดีของท่านเถิดกลับอารามเดิมน วันที่ยี่สิบสองมีนาคมพุทธศักราชสอง6ห้ายสิบหเวลาแ1ดนาฬกาสิบดนาทีลุงปู่เวลาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อเดินทางกลับอาวะเดิมท่ากลางในแพทย์พยาบาลและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่ออกมาส่งลุงปู่ น้าตึกโรงพยาบาลด้วยความอะไรและเคารพหลวงปู่อย่างยิ่งถึงวัดบุรพารามเวลาสิบห้านาฬิกาท่ามกลางการรอรับของศิษยานุศิษย์เป็นจำนวนมากสางแสดงความปลืม้มปิติยินดีที่หลวงปู่ท่านเด็กกลับมาในโอกาสนี้พระสงฆ์นำโดยพระเถรานุเถระ ตลอดจนญาติโยมพุทธบริษัทชาวจังหวัดสุรินได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่หลวงปู่เพื่อจะได้เจริญด้วยอายุวันณะสุขภาละและเพื่อดำรงอยู่ในร่มโพร่มไฟของสาธุชนทั้งหลายต่อไป